วันนี้เป็นวันที่หกุมภาพันสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าที่พวกเราสาวพุทธมาประสมกันที่ธรรมสถานในแห่งนี้เพื่อมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมไม่มาสนทนากันเพื่อให้รู้หลัก การที่ปฏิบัติจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราซึ่งวันนี้ตอนเช้าผมในนามเพื่อนภิกษุด้วยกันตอนเช้าวันนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลาวจงตั้งใจฟัง ให้เกิดสติปัญญาตามสมควรเท่าที่เราฟังได้สมมุติผมมันมันรู้เรื่องสมมุติเพราะผมไม่ได้เรียนปริญญานักธรรมปีโทเอรถี่ผมไม่เคยรู้ไม่เคยได้เรียนแต่เคยอ่านเคยอ่านหลักวิชาอันนั้นเป็นขว่มจำ เป็นคนจำนั้นท่านผู้รู้หลวงปูมาอาจารย์สอนว่าเป็นสุตตะมัญญัติยาบัด น, นี้เมื่อเราเรียนจากตำรับตำลาลู่จำมาแล้วแบวินิสัยวินิสัยตามแนวคนคิดที่เราเรียนมา น, นั่นแหละเรืยกอินตะมัญญัตยาบัดนี้ เรามาพิจารณาถึงเหตุผลคนเรามมีกายกับใจส่วนร่างกายนี้มันต้องมีใจคุมใจบังคับใจให้ทำใจให้พูดใจให้ทำอะไรตัางๆนวอันนั้นเมื่อเราเห็นสภาพหรภาวะอันนั้นเรียกว่าภาวนาไมยะปัญญาตอนภาวนานี้ท่านว่าตงทำให้มาก นึกเจริญสติให้มากเจริญปัญญาให้มากท่านผูลรู้กล่าวว่าท่านจงมีสติทุกเมือ่อความตายนั้นจึงจะไม่ตามทันความตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตายหมดลมหายใจคือความลงผิดนั่นแหละจะไม่เกิดขึ้นได้ เมื่อมีความหลงผิดเกิดขึ้นได้ละคนเรามันทำผิดพูดผิดความคิดหน้าก็กผิดอยู่แล้วอันนั้นเรว่าคนเนา่าขวมเหนมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันเปียกแสะอยู่ที่ตรงนั้นดังนั้นที่ไหนก็าตามท่านว่าคาจักตะบุรุบุคคลผู้ทุนหรืผู้ที่รู้แล้วที่นั้น ไม่ใช่เป็นที่ตุ่มหรือไม่ใช่เป็นที่สถาไม่ใช่เป็นอะไรหลายเรื่องมันสมมติขึ้นมาเมื่อคุณเช่นนี้ผมได้ไปศึกษากับเพื่อนหลายท่านเรื่องมนคลอาเสวนาจาัพารานางปนติตานางจัตเสวนาโพชาจาัตโพสานิงานน า, างเอตมางคะละมุตตมาท่านก็แปลมา คำ อ, อาเซวันนาจะพาลานางนั้นเราจะไม่คบคนพาลทั้งหลายปันตุตานั้นจะเสวันนานเราจะคบบัณฑิตภู <c oughs> ตาาการจะโพสานิญานางเราจะพูชาสิ่งที่ควรพูสารเอตมังคัลมุตตังสามอย่างนี้ใครทำได้เป็นสิริมงคลแต่บุคคลผู้ที่ทํานั้น ธรรมะอาเซวันนาจะพาลานางที่นี้วันนี้เราไม่ได้หมายถึงบุคคลที่เป็นภายนอกส่วนเดียวเราต้องหมายถึงที่เราไม่รู้คือคนผานอยู่ภายในคือโมหะโลภะโทสะนี่แหละเป็นคนผานอันนี้คนผานภายในเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ด้วยนั่งด้วยนอนด้วยไปด้วยมาด้วย เข้าห้องน้ำห้องส้วมติดตามไปเสมอแบบ น, นี้บันดิตามันจะบัณฑิตทั้งตัวแต่ว่านักป่านักป่านัา้นคือสติตัวสติก็ได้ตัวปัญญาก็ได้ตัวสมาธิก็ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิแล้วจะตั้งใจนั่งอยู่ที่นี่แหละอันนั้นก็ดีเหมือนกันอันนั้นสมาธิอยู่ในถ้ำสมาธิอยู่ในที่มืดเัมือนที่ผมพูดให้ฟัง มันดิดคือผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อตื่นตัวอยู่ทุกเวลาแม้จิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาอะไรรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้อจฉะได้มันเรียกว่าบันดิตผู้กาจะปูปานิงานนาั้ควรปูสาพระพุทธลูกก็ดีปูปสาบิดามาดาก็ดีอันนั้นเป็นการปรูปสาวัตถุภายนอก ถ้พูดตามความจริงใจแบบปูชาที่ตัวเองเราเคารพตัวเองการทําการพูดการคิดเมื่อเราเคารพตัวเองแล้วอันนั้นแหละเป็นการปูชาทั้งหมดในโลกในโลกเนี้ปูชาไปทั้งหมดเพราะการทําดีพูดดีคิดดีทัานสอนแบบนั้นเอตมังขั้ละมุตตมังสามอย่างนีธทํ า, าทไปเถืะใครทําอยู่ที่ไหนขอไม่ผิด เล่นสิริมงคลให้แก่บุคคลที่รู้บุคคลที่เข้าใจท่านสอนเอาไว้เราก็ไปติดตำรับตำลาเข้าไปในมุงอันที่ผมพูดว่าเข้าไปในมุงเข้าไปในถ้าคือเราไปติดอยู่ในโครงขังอันนี้ผมก็เลยจับเอาคำพูดของท่านมหาเปรเซตหูดเมื่อวานนี้หรือเมื่อก่อนเมื่อไหรนะ่เนาะเรื่อพูดกันเรื่องศิล์เนี่ยท่านก็เลยช่วยไว ลูกบอลอยู่ในสนามเตะเข้าในโกลุกทีเดียวเข้าไปเลยทํานพูดอย่างนั้นเนี่ยด้วจักจุดธ์เราเตะเข้าไปชุดเข้าไปในโก้งก็ได้ธรรมดาลูกบอลอยู่ในการสนามสนามหญ้าเราลงไปเล่นสนามหญ้าเตะลุกบอลกันคนนั้นก็เตะไปคนนี้ก็เตะมาชุดไปชุดมาลูกบอลก็กิ้งอยู่ในสนามหญ้าไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะเข้าโกลได้ ถ้าต่างคนต่างเตะไปหนีลูกบอลมันก็ไม่มีวันหยุดมันก็กิ้งอยู่ตามสนามหญ้านั่นเองแบบ น, นี้เราก็หยุดนะพากันหยุดไม่เอาเท้าไม่เอาตีนเราเนี่ยไปเตะลูกบอลลูกบอลก็ไม่กิ้งไม่ไปที่ไหนเล ย, น, เยนี่เป็นนะหรือเราจะจับลูกบอลเข้าไปชุดเข้าในโกในลูมันก็ได้ถ้าจับเข้าไปชุดในโกในลูก็หมายถึงว่า เราต้องมาดูที่ใจของเรามันมีทุกข์หรือมันมีสุขแล้วก็ดูลงที่ตรงนี้อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่า ง, งงา่ายๆัดต่อไปท่านทุกฝั่งทั้งหลายพูดกันเรื่องการปฏิบัติที่หลงผิดไม่ใช่็นหลงอื่นไกลคือหลงผมคิดนี่เองอันนี้ผมพูดตามผมจริงใจเพราะผมได้ประสบมาอย่างนี้ถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาที่นี่ เราก็ไม่รู้เพราะภูมิธรรมของเราไม่มีเช่นนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อเรามีความรู้มีความเข้าใจหีืเราเห็นแจ้งชัดตัวปัญญาคือตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่รู้ไปในทางทังที่ผิดคือมันรู้รอบตัวรู้ที่คนคิดอย่างที่เราทำพูดคิดมันรู้อยู่มันเห็นอยู่อันนั้นดีกว่เป็นวิปัสสนา อันเป็นวิปัสนานี่แบบหละจังว่ารู้วิปัสนารู้จินปัญญารู้วิปลาสเมื่อไม่เป็นิปัสนาแล้วรู้วิปัสนารู้จินปัญญารู้วิปลาสไม่ได้รับรองได้ตอนนี้ในขณะที่คนกินเหล้ากําลังเมาเหล้าจะไปห้ามคนเมาเหล้านั้นนะ่ะอยากพิ้งกินเถอะเหล้ามันเมาคนที่เมาเหล้าก็ะโดดเราไม่เมาเอามาให้เรากินเรายิ่งกินเราก็ยิ่งเมา คนวิปริตวิปริตวก็เช่นเดียวกันคนเป็นกินแต่ยางก็เช่นเดียวกันคนเป็นวิปลาวก็เช่นเดียวกั น, น, ก น, กนผมสมมติอันนี้ <c oughs> คนเป็นบ้าเราจะเอาคนบ้าเนี่ยไปโรงพยาบาลไปหาหมอให้หมอตรวจให้แล้วหมอจะให้ยากินคนบ้าไม่ยอมไปอันนี้ผมเห็นด้วยตาผมเองอันนี้แต่คนดีๆนี่เนีย่ย คนที่ไม่เป็นบ้านเนี่ยพยายามพุ่งเอาคนที่เป็นบ้านั่นเนี่ยขึ้นรถไปเลือให้หมันเดินไปหาหมอไปหาหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลน่นจะตรวจ ด, ดูสภาพร่างกายเลือกเช็คไว้ทันไดครับอันนี้เป็นโรคหมอก็เลยหายาให้กินหายานอนหลับเมื่อเอายานอนหลับให้กินคนบ้ามนเลยนอนหลับ นี่มันเตี่ยงมันหมดมันนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บคนบ้ามันก็มันก็ง่วงหลับมันไม่รู้หมอก็เลยไปถามไปยังไงมันกับไปรู้สึกตัวได้เมื่อมันหายง่วงแล้วมันก็เอาหละบ้ามันก็เต้นขึ้นมาอีกแล้วหมอให้ยากินอีกก็นอนหลับไปอีกเมื่อมันหลายครั้งหลายหนนอนหลับแล้วแบบนี้โรคกระสับมันก็ไม่มาก โรคอะไรต่างๆมันก็ไม่มากครอบหมอรู้จักโรคของบุคคลที่เป็นก็เลยจัดยาให้ผลที่สุดคนบ้าก็หายบ้านอนหลับได้คนเจ็บท้องหรือคนเจ็บแค้งเจ็บขาเจ็บที่ไหนก็ตามแหละหมอเขารู้ดีหมอที่เรียนมาจริงๆเลยให้ยาคนเจ็บคนไข้คนเป็นบ้านกินดี คนเป็นบ้ามันไม่ต้องการไปหาหมอมันต้องการไปคิ่อื่นไปหมอทแถบหนึ่งยินดีเท่านั้นเราถามหรือเราพูนอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ดีกว่ายิ่งพูดเขาว่าบ้ามีว้าก็เป็นบ้าจริงคนบ้ามันต้องไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าคนผมเขียนหนังสือเล่นเล็กๆขึ้นมาทีแรกคำว่าคนหมายถึงกวนคนไม่หมายถึงโซเล่บ้านสมไม่ว่าโซเล่ พูดไปพูดมามันไม่ได้เรื่องกับคำว่าไอ้บ้ามือเป็นบ้าคนนั้นก็บ้าคนนี้เป็นนึกว่าบ้าคนนงผลที่สุดบ้าทั้งสองทางเพราะต่างคนต่างไม่รู้เรื่องนั้นเองดัง น, นั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามมีเพื่อไว้ดับทุกเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นทิฏฐิต ร, รองไม่เนต มีไว้เพื่อศึกษาเราเรียนแเราเอาไปอวดไปแข่งขันกันไม่ได้มีไว้อย่างนั้นมีแล้วเราศึกษาเราเรียนเอามาแก้ทุกให้แก้ทุกภายในจิตใจของเหล่านีอ้อันนี้ที่นํามาเล่าให้ฟังนี้ตอนนี้ก็เลยมาวกเข้าเรื่องวิปัสสนุคำว่าวิปัสสนุนั้นเมื่อเราเรียนก็ตามทำกรรมาฐานก็ตามนึกอะไรนึกปัสญญาก็ตามเมื่อมันเกิดขุมรู้ขึ้นมา มั่เกิดคณรู้ขึ้นมาแล้วมันพูดได้ผมอันนี้เป็นผม่รู้แต่ในขณะที่ผมเป็นผมไม่รู้อันนี้แหละผมเป็นบ้าผมไม่รู้จักบ้าเมื่อผมไม่หายจากบ้าและผมไม่รู้ผมไปแสดงทำให้เทวดาฟังก็เป็นแสดงทำให้ผีฟังก็เป็นในขณะที่มันเกิดคนรู้ขึ้นมาและพูดกับเทวดาก็ได้คุยกับเทวดาก็ได้เห็นไปเห็นผมเดินเห็นเขาหมนสลาก หินงยุอยู่ที่กรุงเทพเรียเบอร์อร์ขนาดนี้แบงจ้าน่งาพอเรื่องอะไรอันนี้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าคนไม่รู้จริงเพราะเนี่ยขั้วขั้อิตาลมนรรมุษย์สาคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่หีไปโต น, นี่อย่ามันไม่มนหนีไเราอะมันอยู่นอกเราไปยาตัรู้เหมือนมันเป็นพิษเป็นไททา่า <c oughs> นรู้สองอื่งนั้า่มันรู้ไปสอนคนอื่นรู้ได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมมันของไม่จริงมันจะพิสูจน์ได้ทาไม อันนี้เนื่องจากเราไม่เห็นความคิดเรานี้เองเราไม่เห็นความคิดเรามันคิดวูบขึ้นมามันออกตะข้างเนกะล้วก็เลยเข้าไปในความคิดเลยก็ลูกเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยอันนี้เป็นวิธีที่จะนํามาเราให้สังโดยความจริงใจที่สุดได้ทันทีวันนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีการพิสูจน์ได้คนมีปัญญาดัง น, นั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ทําตัวเหมือนกับดอกไม้ ดอกไม้นที่จะบานได้ต้องอาศัยแสงแดดนะแสงแดดแล้วก็หมายถึงความร้อนเผายีดแสงเะเวนเนี่ยออกมาแล้วดอกไม้มันก็ร้อนก็บานได้ดังนั้นเราเรียนก็าตามเราจะเรียน ว, ยวิจารณาก็ตามอะไรก็ตามทั้งหมดนันแี่ยครับที่เราจยมีความสงสัยรั่งเลใจเราไม่ต้องทําอะไรกันมากมายหลายเรื่อง เราต้องรีบมาดูใจเราแล้วก็หูฟังสติไปดูใจเราไม่ก็เราจะหลับไปทั้งหมดคันถ้าเราหลับไปทั้งหมดกับมันก็อย่างว่าน่ะเข้าไม่มีวิตามินด้วยว่าเข้าผีเข้ารีบเข้าไม่มีไนทหนือ ว, ว่าเข้าผีเราเป็นชาวนาเคยทํานาที่เปสัมภาคอุตสาหทํามาแล้วอาศัยข้าวเปลือกที่มันอ้วนมันเต็มเอาไปเพาะ มันงอกขึ้นมาเรียวเป็นข้าวกล้าถอนข้าวกล้าแล้วจะดำมาบัดนี้มันเป็นลํำฟางขึ้นมาก็เลยมาโค้งมาแตกขึ้นมาเป็นเม็ดข้าวรวงเข้าวมันกโงอขึ้นมาบัดนี้นานๆเม็ดข้าวมันค่อยเอาอากาศเข้าไปข้างในมันมันแตกเม็ดข้าวก็เลยอ้วนเข้าวอ้วนเข้าก็เลยก้มลงก้มลงบัดนี้พอดูมันนานๆเขาเรียกว่ข้าวอ้วนเข้าเต็มเข้าวแก่บ้านผมเรยกว่าข้าวแก่ เรก็ไปเกี่ยวไปตัดเอาเอา เ, อาเป็นเม็ดข้าวอ้วนเม็ดเข้าวรีบเอาทิ้งฟางที่เราจทพวกมาบดเลือกฟางเอาให้ไข่กินให้วัวให้ควายกินข้าวเปลือกเอาให้ไข่กินให้เป็ดให้ไก่ให้หมูกินคนกินอะไรคนต้องกินข้าวสุก ข, ข้าวฟางก็กินไม่ได้อันนี้หลักวิชาการที่เราเรียนมานั้นมานั้นเกฟางก็กินไม่เป็มข้าวเปลือกก็กินไม่เป็น ข้าวสารก็กินไม่ได้ต้องกินข้าวสุกทิ่งข้าวเปลือกเนี่ยทิ้งไม่ได้ข้าวเปลือกไม่มีพันุมันปีต่อไปไม่มีพันุ์มันแล้วตอนนี้ถ้าไปทิ้ข้าวเปลือกแล้วตอนนี้ไม่มีพันจะเอาข้าวสุกกินที่ไหนปีต่อไปเมื่อจําเป็นต้องเอาข้าวเปลือกมาทำเป็นฟางขึ้นมามันงุ้งอย่างนี้ตลอดเวลาดังนั้นท่านผู้สังทั้งหลายวันนี้ทําตัวของ ต, ตัวเป็นไม่เข้าอ้วนอๆก็ได้ มื่เป็นดอกไม้ที่เป็นตัวแล้วก็ได้พอดีแสงแบบสว่างออกมาแล้วก็บางได้ดังนั้นการตัดตรูข้ขวางรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นมันมีในคนมันมีในคนทุกคนไม่เดียกเว็ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดถือศาสนาไหนก็ตามอันนี้ผมรับรองแทนพระพุทธเจ้า พระพระุทธเจ้าตายไปแล้วสองพันห้าร้อยกวปีแล้วพูดไม่ได้แต่ควรจิงพระพุทธเจ้าไม่ได้กายภาพพระเจ้านั้นไม่ก็เป็นวัตถุไม่ก็เป็นรูปตายอย่างที่เราเคยได้ยินพระพุทธเจ้ากับพระวักกะลิกพระวักกะลิกชอบกับพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนสวยเป็นงามก็ไปดูลูกวัตถุที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะั้นพพระพุทธเจ้าก็เลย ทำท่าทีให้พระวรกลิศเสียใจหรืว่าไม่พอใจพระวรกลิศไม่มีที่พึ่ง ก, ก็เลยจะประโดดเอ ต, ตายบตายว่านั้นอันนี้ครูบาอาจารย์เราให้สองพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระวรกลิศเข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตีพระวรกลิศก็เลยตอบว่าเข้าใจว่าอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าคือวัตถุเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหน คือจ so ิตใจที่สะอาดสว่างสงบสะอาดก็หมายถึงจิตใจหรือชีวิตของเราทุกคนไม่ได้สกปรกคณะอย่างก็หมายถึงการเห็นแจ้งด้วยสติปัญญามองเจ่อลงไปมันนึกมันคิดอะไรเรามองให้เห็นคณะสงบก็หมายถึงหยุดแล้วไม่ทําชั่วไม่คิดชั่วไม่คิดชั่วอีกแล้วแต่ว่าหยุด มันไม่เคยหยุดในการเดินตอนหยุดนี้ปรากฏว่าองคุมานกัดพระพุทธเจ้าเองคุลิมานวิ่งอยู่ไม่หยุดไม่เสารพระพุทธเจ้าหยุดแล้วเนี่ยองคุมานก็บอกว่าทำไมโกหกไม่ได้โกหกไม่ได้ตัวผู้คนจริงเราหยุดแล้วหยุดที่ไหนเดินไปที่นั้นเราไม่ได้เดินองคุมานคนเดียวเดือ อันนี้ก็หน้าที่ที่เราทุกคนที่จะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเราโดยไม่มีทุกจุดนั่นคือจุดความคิดไม่ใช่จุดไม่ห้คิดเดียงเลยไม่อย่างนั้นอันนี้คนเป็นวิปลาสก็ตามเป็นจินตญาณก็ตามเป็นวิปัสนา ก, ก็ตามคือคนไม่ได้ดูคนคิดมันเองความคิดมันคิดวูบเดียวขึ้นมาเราไม่ได้เห็นมันก็จะทำเป็นมาจาหรืว่าหลอกลวง 你的加油棒。 เห็นแสงเห็นดวงคิศดวงจันรดวงแก้วดวงอะไรก็ตามแบบเลนในขณะที่เราลางหรือเราหลับตาก็าดีไม่หลับตาก็าดีคือไม่เห็นคนคิดมันก็คิดออกมาเราก็เลยสร้างภาพขึ้นมาภายาในจิตใจอันนั้นก็เรียกว่าไม่เห็นคนคิดคือไม่เห็นคนคิดนั่นแหละคือเราอยู่ในมงเราอยู่ในถ้ำเราจะเห็นได้ทำไ่ เพราเราหลับไปแล้วเนี่ยบางคนก็จะ ไ, ได้สงบอย่างนั้นก็ดีไม่ชว่าไม่ดีผมก็เลยสมมุติให้เหมือนกับจุดน้ําแข็งถ้าเัาจุดน้ําแข็งมันเย็นน้ําแข็งมันละลายจดไปที่ท้องแล้วมันร้อนขึ้นมาหรือสมมุติว่าน้ําแข็งเป็นก้อนใหญ่หญเอาไปเที่ยงไปตามสนามหรืที่ไหนก็ตามเลยลมพัดแบบออกมาน้ําแข็งก็ละลายเป็นน้ำเหมือนเดิมมันไม่ใช่เป็นของจริงของแท้ ขอจริงของแท้มันไม่มีมากเท่าไหร่นะเนื้อคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยครับมันตุลงที่ควรคิดนี่เองฉะนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรแล้วอะ้าพระพเจ้าตัดจะรู้เพราะการทําทางจิตเนี่ยการทําทางจิตนี่จะเอามือไปแตะต้อมันไม่ได้เพราะตัวคิดนั่นมือไปจับมันไม่ได้มันคิด คนว่าเรารู้คนคิดมันรู้เข้าไปในมึอมันเข้าไปในหัวคิดมันก็เลยคิดไปเรื่อยๆไปมันก็เลยไม่มีบรรจุอันนั้นถนัดสังขารตรงแต่งวิญญาณรู้วิญญาณมันก็รู้รู้ไปตามคนคิดอันนั้นเนี่ยเรียกว่าิญญาณเพิ่งรู้วิญญาณมันรู้บัด น, น, นี้เราพอดีตั้งท่าไว้ดีๆพอดีเราเดินไปไหนมาไหนอยู่ที่เดียวกวัน มันคิดปุ๊บเรเห็นเรารู้เข้าใจควรคิดมันถูกหยุดทันทีอันนี้ผมสมมติได้เหมือนแมวกับหมูพอดูหมูออกมาแมวมันจับอย่างแรงนี่มันไม่จับเมื่อเรามีสติแล้วคนคิดมันจะหยุดทันทีมันก็เลยไม่ถูกปรุงอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าจะดําเพนนั้นท่านเอาขันไม่เอาท่าเนี่ยะมากินเข้าวนางสุสตราแล้วเอาแปะที่ฐานที่ลุมแม่น้ํา ถ้าข<ธ>้าพเจ้าจะได้ต <au> ต <ld Clerk |nospeech|> ่สรู้เป็นพระอรหันต์ข้าเกเรตายขายเิเลหลุดจริงๆแล้ววางขันใบนี้ลงไปน้ํำนี่ให้ขันไปได้ทวนกระแสของน้ํำอะไรนะโต้กันข้ามถ้าข้าพเจ้าจะไม่ได้ตต่สรู้จะไม่เป็นพระอรหันต์ข้าเกเรไม่ตายขายเกเรไม่หลุดจริงๆแล้ววางขันใบนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ํำอะไรนะอันนั้นเป็นคําพูดเป็นสมมติถ้าพวกเราถ้าว่า เป็นคนปากเข็ดจริงๆแล้วเรามีแม่น้ําอย่างที่เราอยู่กรุงเทพนี่แหละเอาขันเอาท่อาพออะไรไปเที่ยง น, น้ำเจ้าพระยาถ้าข้าพเจ้าจะตายจริงๆแล้วให้ขันไใบนี้ทวนกระแสของน้ำเสียถ้าข้าพเจ้าจะไม่ตายจริงๆแล้วให้ขันใบนี้ไหลไปตามกระแสของน้ำเสียรับรองลอยถึงลอยจริงๆมันต้องไหลไปตามกระแสของน้ำแต่คนก็ต้องตายจริงๆหมายถึงทวนกระแสของความคิ ควาคิดมันคิดขึ้นมาเราเห็นปุ๊บไม่ต้องทําไปตามความคิดไป ต, ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้เราให้เห็นตัวควาคิดนี่แหละควมคิดนี่แหละเรว่าปัญญาลอบรู้ในกองสังขารตัวปัญญามันนี้ไม่ต้องวัดสุดตะมะยปัญญาจินตะมะปัญญาภาวนาไม่ยปัญญาไม่ต้องพูดก็ได้หรือจะพูดก็ได้มันเป็นลูกบอลอยู่ในสงงานามหญก คนเตะไปทางไหนมันก็กิ้งไปเรื่อยลูกบอลเราภาคอายุเตะลูกบอลแล้วลูกบอลกระทิ่งอยู่ในสนามหญ้าตามเคยหรือจะจับไปซุกเข้าในโตในลูมันก็เข้าไปอยู่ในรูมนทั้งเลยอันนี้ก็เหมือนกันที่พูดนี้เมื่อเรามาดูคนคิดกระหมายถึงจะไปจับลูกบอลได้หรือไปเตะลูกบอลก็ได้หรือไม่ต้องเตะลูกบอลก็ได้นี่เป็นยังไงมันสมมุติพูดกันดังนั้นที่สุดของทุกนั้นบบบนี้ เพรเวลาแม่ก็ได้ห้าโมงยี่สิบเศษโอ้หลยี่ยี่สิบยี่สิบสามนาทีแล้วนี่ยังไม่นานเท่าไหร่เนียงจะก็ได้หกโมงเข้ามาแค่ถ้าหกโมงก็เอาไปบิธาบาสกันแล้วนีย่ยงนั้นดันั้นการแก้ของที่ปริญญูนะเราต้องหยุดการกระทําการกระทำอย่างนะเขาต้องหยุดหยุดแล้วก็เดินไปเดินมาให้มีสติรู้จะไปเท่งมามากเดินไป เป็นวิทยาสตร์ประเภทหนึ่งนะคือมันอยากพูดอยากจาอีกประเภทมนึงมันหนักกดหนักใจอีกประเภทมนึงมันวินศีสักอันนี้เป็นวิธีที่เราทำผิดคือทำไม่ถูกแต่มันถูกของเราแต่มันผิดรวมรู้ที่ผู้ท่านรู้จริงจริงมันผิดเพราะยังไงเพราะเราทำนั่นะมันไม่สบายกายไม่สบายใจอันไม่สบายก็บงมุนศีสักเวียนหัวเนี่ยไม่สบาย ถ้าเราสบายสบายกัรสอนอยังไงเราก็จะไปฝืนทําให้มันหนักอดกหนักใจลิ้นหัวนั่งสมาธิลงไปเพ่งเราไปแน่น อ, อกแน่นใจอ้าวมันก็ฝืนธรรมชาติไปแล้วนนมันไม่ปฏิบัติธรรมะตามธรรมชาติเพราะตามธรรมชาติกหมายถึงเราไปไหนมาไหนก็มีสติมันเจ็บหัวปวดทอ้อยืนหน้ายุนตาที่ไหนเราก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที ไม่ต้องไปฝนมันบางคนนั่งผมเองเนี่ยนังเป็นวลาเก้าช่วโมงสิบชั่วโมงเจ็บแข้งเจบขานั่งอย่เนี้ยนึกว่าตัวเก่งอันนั้นมันเก่งทางผิดมันเก้นทางไม่รู้อันนั้นเ่าอยู่ในมือมาไปเสื้อตำรับตำลาเกินไปสมาธิไม่ได้หมายถึงอันนั้นสมาธิหมายถึงมันเป็นอะไรเรารี้ หรื่าสมาธตั้งใจทําการธรรมาการรู้จะพูดยังไงมันไม่มีทางสิ้นทางจบอันนี้เป็นวิธีแก้วิพตนูนก็เหมือนกันนั่นเนี่ยแบบนี้เป็นวิธีแก้จินตยานุเรศเป็นตีติคือความพอใจในผมรูของเราเราไปทำสมาธิเราได้ความสงบรู้ได้อราก็ตามเนี่ยเราเห็นดวงแก้วดวงทิพย์ดวงจันท์เห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรก็ตามเนาะผลที่ผมพูดนี้ ผมไม่้ยืมเอาคำพูดของคนไหนผมพูดด้วยคนจริงใจเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายคนใดต้องการอาไปใช้ได้คนใดไม่ต้องการก็เหมือนเข้าไม่มีไหนไม่ต้องการเอาไปก็ได้หมือเปลือกยอดดอกไม้ไม่ต้องบานก็ได้คนใดที่ต้องการจะเอาไปใช้ในชีวิตของเราเป็นดอกไม้เมื่อแสงธาตุพิษออกมาแล้วก็บานได้เมื่อดอกไม้ไม่บานก็ยังไม่เป็นอะไรคือไม่ต้องการแล้ว แสงขาทิศนี้ไม่ต้องออกมาแล้วมืดตามเดิมก็ได้ไม่ผิดไม่ถูกอะไรแล้วแต่เราให้เข้าใจให้ดีตีตีนี่นะควรพอใจควรทิมแต่ตีตีตัวนี้เขาเรีกมืดสีขาวมืดสีดํามืดสีขาวมืดสีดําคือทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีพูมืดสีขาวคือทําดีพูดดีคิดดีแต่ว่ามันไปทางไหนไม่ได้มันอยู่ในทิศ จุดไฟที่อยู่ในถ้าเอาไฟมาข้างหน้ามุดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมุดมาข้างหน้าเราอยู่ในถ้าเราอยู่ในตี๋อันนั้นเดาไปทางไหนไม่ได้อันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพยายามเอาไปใช้ในชีวิตตัวเองให้ได้บที้่ตลาดนั้น บ, บัดนื่งเมื่อเราไปพุทธกมสุขสนิดไปสักนิดหนึ่งเรียกว่าเราปฏิบตัติไปปฏิบตัติไปเราจะไปพบอกับธรรมะกับภาพหรือภาวะ ท่านเรียกว่า อ, อาการเกิดดับพอดีมันเกิดขึ้นมาวูบเดียวเราจะรู้จะเห็นเราเข้าใจคือที่ไหนไม่มีแล้วในฟื้ของเราไม่มีนะเราจะไปปิด อ, อควอนสุขนั้นเราก็เลยลืมภาวะที่มันเป็นมันขาดมันช่วงออกมานั้นเราก็เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้อันนี้นเราก็จะปิดควอนสุกพราะด้วยอควอนสุกนั่นแลตัดคืนมาจะมาดูได้มันลืมเพราะมันไปติดตัวนั่งอะหลงผิดไปเสียเลย เพระันน่ะวิตลาดนั่นแต่ละคมเห็นผิดเป็นถูกเห็นทุกเป็นสุขเห็นนั้นเป็นสวรรค์เห็นกุญแจเป็นดอกบัวพอดูความสุขน่ะหายไปกลับมาจะทําเหมือนเดิมไม่ได้เพราเราลืมหลักมันแล้วดังนั้นมีปรัชนาคือมีอารมณ์ขึ้นไปเป็นพักเป็นพักไปตามตาลับตำลาครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าปสตมาชานทุกติญาชานจติญาชานจตุทะชานปัญจมาชานอันนั้นเป็นคาพูดพูดเหมือนกับ ลูกบอลทิ้งอยู่ในสนามยากไเตะงานกรรมก็กิ้งไปเรื่อยๆไปเลยไราหยุดไปเตะลูกบอลเพ่อแบบนี้เราก็มาดูใจนเราไม่ต้องไปเตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะในสนามยาแล้วก็ดูใจเราไดูใจเราไปมันเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาความสติสมาธิอะไรมันก็ตามมันสมบุรณแบบเร้เดีะเอกคตาเป็นอารมณ์เดียวมันจะไป็นยังงก็เกิด ขายนอกอนราะมันจะอีกแล้วไม่ทำผ ไรข้างพันนไม่มีประโยชน์เท่าอัลตะนาตนทีเดียวนี่ยอันเอัลตะนาตนนะคือมองมันมคิดว่าเพราะเรื่องอะไรมันก็จะเห็นต้นตอของสัมผัสตัวเป็นอย่างนั้นคือเราไม่เคยมามองที่ตรงนี้เลยอันนั้นเลยวเอาเข้าผีไปวานตรงในนะ้าละตออกมามีไปเข้าผีเข้าไม่มีวิตามินไม่มาพูดกันเรื่องจิตใจเลยพูดกันตะเรื่องอะไรขี้ปะทะร้อยอันทั้งเรื่องมาอันนั้นเลยว่าข้าวผี ข้มมามันหมี่วิศนีกินเท่าใดมันก็นไม่มีแรงเพราะมันไม่มีวิศนีสู้เข้าเจ้าเข้าเดียวเม็ดเดียวเู่นี้วิศนีไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นอันที่พูดเป็นเรื่องสมมุติก็พูดให้การฟังด้วยความกินใจดังนั้นที่เรามาประชุมกันที่ธรรมสถานที่นี้เราหวังว่าจะมาฟื้นฟูหลักพุทธศาสนาแล้วเราจะเอาครรําสอนหรือครรําสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละ เราได้จะพุทธปฏิบัติตามมาแล้วนี่แจ้งเห็นจริงในสภาพลัพธ์ธอันนั้นเมื่อเราดับทุกข์เราได้คนอื่นก็เหมือนกันกับ เ, เราเรารีบเอาคําสอนที่มันดับทุกข์เนี่ยได้ไปเผยแพ่ให้บุคคลที่ยังไม่รู้ได้รู้ให้บุคคลที่ยังไม่เคยได้ยินได้ยินให้บุคคลที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจตามากปกติพูดของจริงให้ฟังคนไม่ชอบ มดไม่ชอบเอาแหละที่เทนํา ม, มาเล่าให้ฟังในกำเนือกว่าสมควรถ้าที่สุดนี้ผมและเพื่อนพิกษุสมเมรและระวาดยาโยบที่มีชีวิตจิตใจยในขณะนี้ขอวิ่งรอนอ้างอิงอาคุของพระเบเจา้าและพระธรรมคาสอนขององค์เส้นเด็จพระสัมมาสมาัสมพุทธเจา้าและคุณของพระลานภาสาวกพระสัมมาสมาัมพุทธเจา้าและนะมาเตือนจิต ใจขอพวกเราให้พวกเราได้มองลง ร้อยปีพันปีหากไม่เห็นความเกิดขึ้นหรือความเกวีดจับของสังขารบุคคลนั้นแม้มีชีวิตอยู่ร้อยปีปปก็หาไม่เจอไหม่ <c oughs> พวกเราได้ฟังธรรมะเรื่องการปฏิบัติซึ่งเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้หลวงพ่อเทียนท่านพยายามย้ําผลของการแบบที่ปฏิบัติตทำคือคล้ายๆกับว่าผู้ที่หุงข้าวพยายามที่จะเอาข้าวให้เราเนี่กิน ไม่ให้กินข้าวรีบไม่ให้กินข้าวอซึ่งมีแต่แกบเป็นลําแต่ว่าต้องการให้เราได้กินข้าวสุกข้าวสารจริงๆนั้นท่านจึงพยายามย่อมแล้วย่ออีกเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ย่อมให้ผลเหมือนกับการทํานาได้ผลเป็นข้าวแต่การปรฏิบัติธรรมได้ผลเป็นธมติธรรมคือความไม่มีความทุกข์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วถึงทำแล้วย่อมอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ กินอย่างไรก็กินได้ไม่มีความทุกข์อย่างหลวงพ่อว่ า, วาไม่มีความทุกข์จริงๆนี่ทันการท่าไม่ท่าได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีความทุกข์กับเรื่องเราอะไรอ่าเรียกว่าที่สุดได้ธรรมะของกุศลจะเป็นนาคารีโก้คือใครขึ้นปฏิบัติแล้วทําให้ผู้นั้นไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดสภาวะใดเทศใดวัยใดก็าตามที่พิธของบุคคลย่อมไม่มีความทุกข์นั้นธรรมะจึงเรียกวิวเศษ พิเศษคือตรงที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแล้วเห็นแล้วไม่มีความทุกข์อยู่ในโรคโดยไม่ถูกกลางของโรคอยู่ในโรคโดยไม่เป็นทุกข์เพราะโลกที่เรามาประชุมกันหลายวันแล้ววันนี้ก็มาพบกันอีกเราก็มาพูดธรรมะสูกันฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะมีมากเท่าไหร่ก็ตามรวมวมแล้วคือมาแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกตัวเองเมื่อแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกตัวเองได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาสังคมแก้ทุกของสังคมคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีขังสักสิทอะไรทั้งหมด มีแต่ให้มาแก้ปัญหาความยุ่งยากสับสนวุ่นวายเท่านั้นโดยที่ว่าอยู่เป็นคนโดยที่ไม่ถึงทุกคาว่าคนคนนี้มันแปลว่าควรกันบ้านผมคนแปลว่าควรเราจะเอาของหลายอย่างประสมเข้ากันต้องควนเข้ากันสมมุติเราทำอาหารทัว มีมพิกมะเขือเกลือปลาร้าอะไรต่างๆเอาไปลงในหม้อแล้วคุกเข้ากันโยนเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้เมื่อเราไปสั่นเราไม่รู้ว่ารถอันใดเป็นอันใดไม่รู้คนก็เช่นเดียวกันคนจึงแปลว่ากวนพูดกันไปกันมาไม่รู้เรื่องเขาล่ะโซเอล พูดแล้วไม่รู้เรื่องกันว่าเขาว่าโตเล่บ้านผมพูดอย่างนี้เมื่อพูดไม่รู้เรื่องกันเนาะเขาเ็เรียกว่าไอ้บ้าคนนั้นก็เรียกว่าคนนี้เป็นบ้าคนนี้ก็เรียกว่าคนนั้นเป็นบ้าความจริงบ้ามันมีอยู่ในคนดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนทุกคนให้มีความรู้สึกตัวตื่นตัวให้มีความรู้สึกใจต่นใจคนเราเมื่อมีคมรู้ ตัวตื่นตัวรู้สิวใจตื่นใจความรู้มันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลัวไม่รู้มันก่ลดน้อยไปลดน้อยไปเป็นยางไงเดี๋ยวนี้เรามีความไม่รู้มากเพราะจิตใจมันนึกคิดเร็วที่สุดเร็วก็แสงฟาแลกเร็วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่สามารถที่จะควบคุมกายเราวาจาเรา ใจเราควบคุมไม่ได้เพราะควมเร็วของจิตใจบัด น, นี้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าจัดทั้งหลายคือเราตัถาคดตัดทั้งหลายเหมือนเราตัถาคดแต่เมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็ต้แสวงหาทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองหรือทางที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์ความสับสนวุ่นวายในเองท่านคิดอย่างนั้น แต่เมื่อพระองค์ไม่รู้คนทั้งหลายก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเป็นอย่างไรมนันได้ต่อมาเมื่อพระองค์ท่านรู้แล้วท่านก็ว่าสัต์ทั้งหลายเราผู้เป็นสถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราสถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราสถาคตนี่ ห้ารู้เห็นเป็นมีอย่างพระพุทธเจ้าบอสเดานว่าไม่มีทุกเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพเจ้าท่านจัดไว้อย่างนั้นดังนั้นพวกเรามาที่นี่เดี๋ยมาศึกษาสนทนาหาความรู้ในหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะทําให้หลักพระพุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านำเผยแผ่ว่างออกไปดังนั้นจิตใจของคนทุกคนเหมือนกัน ไม่คิดกันเลยคนไทยก็มีจิตใจนึกคิดคนจีนก็มีจิตใจนึกคิดคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนอินเดียก็มีจิตใจมึกคิดเช่นเดียวกันผู้หญิงผู้ชายก็มีจิตใจนึกคิดเช่นเดียวกันพระสงฆ์องค์เองก็มีจิตใจนึกคิดเช่นเดียวกันเรื่อเหมือนกันแต่ว่าความคิดมันเล็วมาก ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาจาับถูกไม่ได้โดยมือท่านเดียวคนมีตาทิพมีหูทิพย์คำว่าตาคิพย์ก็หมายถึงมองสิ่งที่ไม่เห็นเป็นตุเป็นตูนแต่มันรู้ได้คือจิตใจม น, นุษย์มันคิดนี่พระองค์เห็ น, หนแต่ทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่ติดกันมทุกเกิดขึ้นเพราะจิตใจแต่ตัวจิตใจมันไม่ได้ว่าทุก มันเป็นอวิชชายิ่งแปลว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าอาวิชชาแปลว่าไม่รู้คือไม่รู้จิตใจที่มันนึกคิดนั่นเองวิชชาแปลว่ารู้ก่านีวิชชาคือควมรู้ควมสลาดทันกับควมไม่รู้แจ่ก่อนนั้นควมรู้ควมคิดถึงคิดเร็วเราเลยไม่รู้พระองค์ก็เลยมากำหนดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าตัดสิโราะการทาทางจิตทางใจว่าอย่างนั้น การทำทางจิตทางใจเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจผมเองมัวไปนั่งทำกรรมฐานพุทโธธรรมโมอลังหังคองยุกทำให้มันสงบอันนั้นสงบจริงอยู่แต่มันไม่ได้สงบแบบวิปัชนําำรับตำลาครูบาอาจารย์ก็เคยสอนเอาไว้ว่าสมถ า, า, า, ากรรมฐานเป็นอุบายให้สงบจิตวิปัชนากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดปัญญา ดังนั้นคนจะล่วงทุกไปได้เพราะไม่ได้กลมสุบแบบนั้นคนจะร่วงทุกไปได้เพราะปัญญาคนขาดปัญญาแล้วจะทำอะไรก็ไม่สลาดคนสลาดเขาเรียกคนมีปัญญาดังนั้นพวกเรามาที่นี่มาปรนนากันเพื่อเอาความรู้จริงๆมาพูดมาสอนกันในกำรับตาราบอกว่าปฐมฌานทุติญญาฌานจากติญญฌาน จะตาาูท่าานปัญจมชานเป็นชานของอิปัสจนาแต่ไม่ใช่ลูกผูดเดียวไปไม่ใช่อย่างนั้นปฐมมชานคือชานเบื้องต้นชานหยับหยาบทุกิญญาชานก็เป็นชานละเอียดขึ้นไปลูกของละเอียดขึ้นไปตัติญญาชานก็เป็นชานละเอียดขึ้นไปกัลูพของละเอียดขึ้นไปจะตูท่านก็เป็นชานละเอียดขึ้นไปลูกของละเอียดขึ้นไปปัญจมชาน พอเป็นทางละเอียดขึ้นไปลูกขอาละเอียดขึ้นไปปัญจะมาฌานแปลควมด้วยองค์งห้าทันวันอย่างนั้นในตำราบอกไว้ว่าปฐมฌานเขาว่ามีองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกาตาเขาว่าอย่างนั้นแต่ควมจริงมันถูกแต่การกระทำแล้วอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ผู้ทุกคนจิงใส คำว่าปฐมฌานหมายถึงการรู้เรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาสมมุติศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญรู้อันนี้แปลปฐมมฌานคือเบื้องแรกเมื่อรู้อันนี้แล้วผมหมดทุกเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนผมไม่รู้าศาสนาเข้าใจว่ามีวัดมีเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าใจอย่ แต่ความจริงแล้วศาสนาคือตัวคนศาสนะจริงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็มาสอนคนนั้นเองพุทธศาสนะคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานุ่นนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ใครรู้ก็สติสมาธิปัญญาปัญญาจริงแปลว่าหลอกลู้เข้าใจไหมอันนี้เป็นปฐมฌ า, านของผมพูดขึ้นมาเองอันนี้ ผู้สัญชาาิบันเนี้ยผู้สัญชาติต้องรู้นามลูกแต่ก่อนผมไม่รู้นามลูกนี่ผมไม่รู้นามลูกคืออะไรคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนั้นเป็นนามเป็นลูกแต่มันคิดขึ้นมาเป็นลูกผมคิดแต่ไม่มีตัวไม่มีตนผุ้สัญชาตมารู้อันนี้เมื่อรู้อันนี้โทสะโมหะโลภะ ลดน้อยถอยลงไปเพราะมันคูกแพทย์เผาของสติปัญญาโทสะโมหะลดน้อยลงไปแล้วนีกับเงำสีน้มสีที่มันเต็มกับป่องที่แรกมันดีลอยเปิดเศษอะไรยอมผ้าขาวมันจะติดเมื่อผ้าทั้งหมดเลยผ้าขาวมันจะไปตามสีบัดนี้เมื่อลูกจักนามลูกดีแล้ว น้มสีเต็มกล่องแต่คุณภาพไม่มีไปย้อมผ้าขาวผ้ามันจะไม่ติดสีสีก็ไม่ติดผ้านี่เรียกว่าเป็นทุติยสนานมันเข้าใจอย่างนี้มันละเอียดเข้าไปอย่างนี้สาติยทานแบบเนี้ยคือควงยึดมั่นคือมั่นเรีวยว่ากิเลกตัณหาอุปทานกรรมเหล่านั้นจะลดน้อยไปมันเป็นอย่างนี้นคือว่ามันเป็นเสพปกของใครของเรา มันเป็นสเาลของไข่ของเราทานตัวนั้นเกิดขึ้นต้องรู้อย่างนั้นทานตัวนั้นเกิดขึ้นต้องรู้อย่างนั้นทานไปว่าเขาไปรู้เข้าไปเห็นเขาเป็นแนบแนงเสียแทนกับริ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างน้นอันนี้พูดกคกจริงโดยที่ว่ากล้าหารพูดแทนกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตายไปแล้วสองพันกว่าปีแล้วคนไม่พูดอย่างนี้ พูดถึเรื่อให้ทานรักษาสิ่อันนั้นมันดีแล้วให้ทานดีแล้วรักษาสิ่ดีแล้วทำกรรมฐ า, านนั้นดีแล้วอันนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราทุกคนมาที่นี่คงจะเคยได้ยินเล่กฟังแต่นักบวชก็มีก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปเห็นลูกธรรมนทเพศก็จรัทาด้วยเขาพระว่าลูกเพศแ น, นี้ไม่ได้ทามาหากิน หากินอย่างสะดวกสบายสวยงามดีท่านก็ออกบทตามเขาบทแล้วท่านก็ไปศึกษากับอาลาดาบทอุทะกะดาวบทสองอาจารย์นี้จนได้สมาบัตแปดเข้าสานออกการคล่องแค่ว่วองไวเหมือนกันกันกบอาจารย์ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมถามอาจารย์บอกว่าหมดคนรู้แล้วแต่พระองค์มันยังไม่หบทุ ระองค์ก่อนนี้มันไม่ได้เป็นทางที่จะดับทุกได้อันนั้นมันก็มีมาก่อนแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคําสอนเรื่องศาสนาดังนั้นเรามาที่นี่ก็มาศึกษาหาของจริงของจริองรอยู่ที่ไหนพระองค์สอนเอาไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าตัดจะนลูเพราะการทําทางจิตทางใจทําทางใจทํายังไงไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แต่ก่อน เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจใครจะว่าผมไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของคนนั้นพูดแต่ผมสามารถคิดว่าทุกคนทำได้เป็นอย่างบัด น, นี้เมื่อพระองค์ถามครูเมื่อหมดผมีพระองค์ก็หนึ่งีมาพวกปันจลกีตั้งห้าคนติดตามพระองค์มามาอดข้าวอดน้าไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุย น้ำทุกที่คนไม่พูดไม่คุยเสียมกระแหบแห้งเข้าไม่กินข้าวกิน น, น้ําเมื่อ น, น้ำก็จ่อยผอมเข้าวถ้าองค์ทําขนาดนั้นอันนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสั้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นคนส่อแสวงหาทางอยู่ดังนั้นให้พวกเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าองค์ไปจินผลลไม้เนี่ยทุกคนได้ยินอย่างนี้ พวกปัญจวัคคีตัณห์เห็นพระองค์หลับคายขูมเพียนเวียนมามากๆเสียแล้วไม่ได้ตัดสินลุเป็นพระพุทธเจ้าหรอกพวกปัญจวัคคีตั้ห์ซุกติดคุยกันะนะก่อนหนี้ไปพระองค์ก็ไปคนเดียวมันนี่เมื่อพระองค์ไปคนเดียวพระองค์ก็คิดขึ้นมาเหมือนที่แรกอยู่ด้วยกันห้าคนจบกับเราเดี๋ยวนี้ไปคนเดียวแล้วดีพวกปัญจวัคคีตัณห์ก็ไป พระองค์ก็ไปตอกเะตเะตอกเตะจินผลไม้ไปไปพบเอากับนางสุสดานางสุสดาเอาเข้ามาปวงสวงเทวดาเนี่ยอันนั้นมันก็มีมาก่อนแล้วพระองค์จึงไปเจอเข้าได้กึงเข้านางสุสดาอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วจึงได้เอาขันหรืทาตันั้นถานนางสุสดาว่าถาวายทั้งหมดก็ เ, เลยจับเอาท่าถูกขันนั้นไปที่ฐานตามลินนในน้า ถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวางธาตุวางขันใบนี้ลงไปบนผิวน้านี้ให้มันทวนกระแสของน้ำเพื่อจะถึงต้นน้ํำไว้ในทางทรงกันข้ามถ้าหากไม่ได้ตัดสรู้ข้ากิเลสไม่ตายทายกิเลสไม่หลุดเอาสันติมรุกไม่ได้ใา้มันไหลไปตามกระแสของน้ําวางไปวางขันลงบนผิวน้ำํำปลดทวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ําไปจมลง ทหนหัวกะระนาคที่ไหนพ่นอแม่เราให้ฟังนอนยังไม่ตื่นไปนี่กะระนาอันนี้ก็แสดงว่าทวนกระแสของควมคิดคนมันไม่รู้สึกตัวการทําการพูดการคิดเมื่อกะระนาคมันนอนหลับอยู่อันคนนอนหลับกับกะระนานอนหลับกับคนไม่รู้สึกตัวมันเป็นคําหมายอันเดียวกันก็ได้ดังนั้นเมื่อพระองค์ไปถึง อลาน่าก็เลยตื่นขึ้นมาโอ้เจ้าตายพิทติธาคุมาเนี่ยได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยการทวนกระแสของคมจิตมันคิดนมาพราะองค์เห็นรู้เข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะจับมันได้เอาเพียงลมรู้จิตตัวตื่นตัวนี่เลยเข้าไปแต่อยากไปทำให้มันตึงมากถ้าไปทำตึงมากเท่งลงไปมันมึนศีษะแน่นหน้าอกทาสบายสบาย ศึกษาไปกับธรรมชาติคำว่าแบบนั้นดังนั้นพวกเรามาทีรุษต้องมองถึงจิตใจเพราะจิตใจมันัยที่สุดแต่เรามาฝึกชวนรู้สึกให้มันเร็วก็ถึงกับจิตใจมิคิดมันคิดทีนทึงโตโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกเพราะพระองค์สอนไปแล้วให้มีสติกําหนดรู้ในเรื่อบุทั้งตีดูเดินนันน่งนอนและพูดเหยียบเคลื่อนไหว โดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ทันทีเพื่ออะไรความรู้จึกจะมากขึ้นมากขึ้นควมคิดมันก็จะลดลงลดลงทีแรกความคิดมันออกหน้าบัดนี้อเอาความรู้จึกออกหน้าควารู้จึกออกหน้าก็เรียกวสติปัญญาออกหน้าความคิดต้องตามหลังความคิดมันตึงหนามรู้ตัวสติปัญญาคือมันตึงออกหน้าเหมือนกับนายพางถ้านายพางออกหน้า คนทํางานต้องทําตามหลังถ้าเอาคนทํางานออกมาในสร้างตามหลังการงานจะไม่สําเร็จเลยดังนั้นวันนี้ที่เรามาพบกันก็ต้องพูดของจริงอย่างนี้ดังนั้นทุกคนทําได้ไม่หยุดเวรเพราะพระองค์ท่านสอนเอาไว้แล้วตั้ทั้งหลายเราพูดเป็นปัญหาคตรไปถึงแลไรถึงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจนประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราแต่ถาสนี้ก็จะรู้จะเห็นจกเป็นจะมีอย่างเราต่ถา ก, กนี้ทันวันแต่เราไปเชื่อคำคำหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรค่ะทั้งหลายจนมีส่วนแห่งบุญทีพผ้าพเจ้าได้กระทาลงไปแล้วในบัดนี้อันนั้นมันเป็นการเข้าใจไม่สงจะมีส่วนแห่งบุญทำไมพระองค์ก็ทําของพระองค์แต่เรามาทํา มีส่วนที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นไม่ใช่จะไปคลองเอาบุญเอาโุศลจากพระพุทธเจ้าแต่เราต้องทาตามขาวหนึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเพียงคานพเพื่อให้ทุกฝั่ท่านสิบเอ็าว่าอัคคาตโลตถาคตาท่าตะถาคตเป็นไปเพียงพูดแม่แนวงานประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธอ อันนี้ก็พระองค์สอนเราให้เรากาหนดรู้ในอิริยาบถทุกอิริยาบถแล้วรมคิดบางอดตาลงตาลงะติทํางามันก็เลวขึ้นเลขึ้นมันก็พควกคุงได้รวมทุกจะลกน้อยไปลกน้อยไปที่สุดจิตใจของคนมันสะอาดสว่างสงบทีแล้วที่ไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบรวมเยอะแท่เนื่นใจรวทุกกระขึ้นเพจิตใจออกหน้า เมื่อจิตใจมันปรุงแต่งไปแล้วโสดโมหะโลภะยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆที่ปาฏิบดีเมื่อจะิปัญญาออกหน้าแล้วโสดาไม่เกิดโมหะไม่เกิดโลภะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเรียกว่าจิตใจของคนมันสะอาดสว่างสงบอยู่แล้วเรียกว่าสันติคือความสงบท่างกล่าวไว้ว่าธรรมะวิไงของเรามีอยู่ ถ้าหากมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามอยู่มรรผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโรกนี้ทัานหลงนี้อีกทางหนึ่งหากฆราวาสญาติโยมรูปภาะสงฆ์ของเจ้าอยู่ด้วยความสงบพระอารหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้คําว่าอยู่ด้วยความสงบหมายถึงอะไรก็าอยู่ด้วยสติปัญญานั่นเองไม่ใช่จะเป็นนั่งสงบอย่างนั้นอย่างนี้ หรืว the ่าอยู่โดยชอบอยู่ด้วยชอบก็อยู่ด้วยคนามบอยู่ด้วยคนามสบก็อยู่โดยชอบมันทำเดียวถ้าเราอยู่โดยชอบก็มีสติปัญญาอยู่ด้วยความสงบก็มีสติปัญญาคนไม่มีสติปัญญาก็อยู่ด้วยควาหลงอยู่ด้วยตัวไม่รู้เพราะว่าคนไม่รู้การทําการชั่นั้นท่านว่าลายกว่าสติระสามท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นให้พวกเรามีสติขโะกโลกจิตกายวาจาใจการนิสคิด เห็นจ <S an> ิตเห็นใจตัวเองอยู่เสมอทุกขณะทุกเวลาทุกวินาทีนั้นแหละคือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดังนั้นที่พวกเรามาประชุมกันก็พยายามหยุดยกเอาคำพูดคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้